ออืความโมโหก็อ่อนลงอ่อนลงก็เย็นขึนนึกเอาผิวผู้บุคคลสําคัญของปู่ทาเจ้าในยุค ป, ปัจจุบันของพวกเราคือร้อยห้าสิบปีปู่ย่าตายายของพวกเราได้มาพบได้มาทอตั้งแต่สมัยป่าสร้างดวงเสือออืป่าเป้าคงถีก็เป็นพวกเราเนี่ยก็เป็นไปได้แต่เราจําไม่ได้ออปู่ก็ไปหาปโปดไปหมดเดิน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 อืสามปีสี่ปีก็ตายเออมาอีกช่วงหนึ่งนอนหลับไปก็ตายชองลายคว่าอืตายหลับตายแต่ว่าตายฆ่าตายแกงกันนะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในตระกูลฆ่ากันยิ่งแจงกันแต่มันก็มีอยู่แต่ว่าก็ทำพระพุทธเจ้านั่นแหละรงับไว้กลัวบาปกลัวกรรมคนหนึ่งห้ามบาจุด บาปหนักอยากได้อะไรก็เอาไปเลยมันก็เลยงดลงมันก็เลยไม่ได้ถึงขั้นไปตกนรกอันหนักๆนักนั่นแหละเพราว่าทำศาสนาบารมีของพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้ามาตัดมาห้ามไม่ให้ลูกหลานไม่ให้บ้านเมืองเราวุา่นวายแตกกล่าวสามัคคีกัน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 รัตนาสินพระเจ้าเนี่พระแม่ครูบาอาจารย์คนเท่าอืมปากเข็ ป, ปากขังเอาสินประกาศศาสนาเออปานาเกเวลามานีอาทินาเกเวลามานีเออกาเมกเกเวลามานีลูกหลานก็กนเข้าใจมดเนเพื่องพระพเจ้าจะรักษาให้ดีมุสาอือถ้าจะมาวัดถ้าจะมาบําเ พ, พ็ญทบานาเฮ็นนี่ต่อไปฟังธรรมแล้วพระพเจ้าจะนั่งสมาธิ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 พากันไปมชมสวนพากันไปเล่นน้ำชมสวนเที่ยวป่าเที่ยวดมงลืมทางไปลืมทางหนีจากความทุกข์ความลำบากก็พากันยังเห็นหน้ากันอยู่อย่างนี้ก็เลยยังมชมสวนชมป่าชมาะว่า นั่งกินนาฬิกินอารอนก็พวกเราทั้งหลายเลยส้มสวนมีลูกมีหลานก็ส้มกันไปอยู่อย่างนั้นหออลวงปู่ว่านพูดไม่ส้มอะไรออออกจากประคานของแม่ธรรมนา่าของแม่เห็นทุกเห็นลบาบากมาอ่านพระธรรมพระวินยัยใจติดโดของพระเจ้าไปออกมาแล้วคือเป็นภาษาธรรมาหากินของพวกเราเลยเ อ, อ, อดทน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 มันยันลูกหลานกลัวไปโปวดไปเมตตาไว้หมดแต่ว่าต่อมาออท่านก็ผ่านได้ถ้าอะไรจะเอาไปกินไปพ่อแม่เราก็ทานมาแล้วทานให้ศาสนามาแล้วอืเราสละเป็นสละตายือเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าอออดเข้าสามสิบเก้าวันหรือสี่สิบเก้าวันขยับไปหรือมากกว่านั้นโอด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 นายหน้ามันมันอยู่ประตูโค้งใหญ่เลยมันก็เบื่อมันก็ตันหนีนี่เข้าใจไหมหนายหน้าใหญ่เนีเออ่ยคือพญามารคือเรียนกรรมที่มันบังคับให้เราเกิดเราตายเออนี่แถ้ามันอยู่ประตูโค้งใหญ่ก็คือจ้หมูกเรานี่แหละอยู่น้ำลมหายใจเรานี่แหละนะเ อ, อะอาหารการกินและการละมั้งระวังไปด้วยืออมาให้ <c oughs> โรคภัยมาให้กรรมมาให้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 มนันมันกระโดดออกกิเลสมันก็ทังออกแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อก็รบริกรรมต่อไปเลยคือธาตุขันมันก็สลายตามตามตามวัยตามธาดตามเวลาเพราะ่ประเทศเอาทัดเหมือนกันก็เรากตกน้าหรือว่าเรากตกไปอย่างไรอย่างหนึ่งก็มีบุญก็มีคนมาช่วยอุ้มขึ้นมารวมไปหาหมอติดต่อกันแล้วดีเหมือนเดิม นั่นเละคือเป็นอย่างนั้นแหละที่ที่พวกเราทั้งหลายอืให้ทานรักษาศีลมานั่งส ม, มาธิภาวนาบําเพ็ญกุศลฟังเทศฟังธรรมอืมเป็นบุญเป็นกุศลของพ่อออกไม่ออกตอนลาปีใหม่ปีนี้เป็นปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่คือได้มนต์ปู่มาเมตตามาโปรดรักษากายวาจาใจสวยงามศีลนี่แหละตราบไปผู้ซานอบนอ้นอมอืเพื่อถึงที่สุดก็นั่งนอ้อม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 เออมันกิเลสตันห้าตันห้ารอยแปดเออมันคุมล้อมเนื่อล้อมตัวไม่เห็นพ่อเห็นแม่ให้มันก็ะไรเข้าหูดังเหล่านี้เลยเพราะว่าไม่มีพุทโธธัมโมสังโคพูดอะไรไปก็มีแต่ฟืนแต่ไฟโผมาอกมาใครฟังไม่ได้พ่อแม่ก็ยอมไปฝากใครใครก็ไม่รับไม่ได้อันนี้มันเตืนไปได้นะเพราะว่ามันอยู่นกรรม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 เพราะว่ามันจะพาเกิดเอออาหารการกินนี่ตุนตัวพาเกิดเพรานจังนว่าเออสาตรูป ร, ราชาตะปฏิฆ า, านาตาวทรัพย์สมบัติตัวนี้ก็เออถ้าใส่ไม่เป็นก็เออตัวพาเออผาเผาตัวเองแล้วก็มาเผาพ่อเผาแม่ที่ทรัพย์สินตัวนี้เพื่อนให้ไปสวรรค์นี่พานโดยตรงเพื่อนให้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 เสียวไปก็ไม่มีเจ็บมีปวดมาถึงตนถึงตัวเรานึกเอาเงินก็ได้เงินนึกเอาทองก็ได้ทองทานไปแต่มันได้หมดเพื่นว่านั่นแหละแนนกระเป๋าอึงตึงแต่ว่าถ้ามันไม่แนนก็จะไปโทษผู้พูดได้เลยก็หาไปเรื่อยเพื่อนทำเผู้คนไว้พร้อมให้กับให้เต็มอึงตึงอยู่ตลอดนั่นแหละคืออาจารย์สีวัสดิ์แต่ว่าปู้ก็เออถ้าจะให้แนนอึงตึงก็ต้องออืภาวนา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 เออเอาลิงเอาลิงคนเทศอยู่บ่อยเออเอาลิงไปด้วยไปไปย่อมผ้าย่อมย่อมผ้าโบราณพาฝ้ายโบราณหาสายไฟสายยางเอาลิงง่อยบ่าไปลงปูฝ้ายหน่อยแม่ตาเลี้ยงแมวแมวใหญ่อแมวตัวผู้แมวใหญ่แมวคนว่รรษศรีไอเจ้าลิงเนี่มันดื้อเลยอเจ้าลิงมันไปมันมันไม่มีเพื่อนพอเห็นแมวมาเกิจากหยอกแมว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 คนเทศหลวงปู่เปียบเทียบเพอ่มมาสอนให้คือเราวอกแวกคือลิงคืออะไรเราเน่งอยู่คือคือพระคือแมวพระหรือมันจะอยู่ของมันแต่คนเยียนหน้าเวียนหลังไปกระจอกมันกระตกมันมันก็ตั้งค่าได้มันก็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 มันาแก้ลำกันขนาดขนาดนั่นเลยแปว่าเออคือเราเห็นทุกวันนี่เบิ่งเอาบ้านเมืองเออนั่งอยู่ในถ้ำในภ่าสารลาดสว่างก็ดีออบางที่ลูกปืนใหญ่รู้ลงมาใส่หัวตายก็ได้นั่นแหละแ้ต่บุญกรรมเออหลวงปู่เวนเป่นพูดไม่กี่วันนี่ไปเยี่ยมท่านบางทีออหลายแบบที่ตายหงตายหาตายหงพยนเราน่ะตายไม่ถือต้องตายอย่างโน้นอย่างนี้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 นอนยันมันเผลอยันมันส ต, ติมันมันจะถลิ่ยเถลายเวลานอนตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์เดแก้ยากนะถ้าออหาความสุขจนสุขขึ้นมาแล้วจยางนอนนอนแล้ว เ, เวลามันก็ไม่นานนะครลุกขึ้นมาก็สุขถ้าสุขแล้วก็รักษาสุขไว้ไปให้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 ก็ว่าได้เสีดาดอกความตายมันตายเวลาไรก็ถือว่าทูกดีทูกดีเราได้ภาวนาถึกต้องแล้วถึอต่องในดวงใจแล้วสบายใจทั้งแต่อายุสามสิบเอ็ดปีรีบหนีออกจากากางทุกข์เสออื้อผู้คอปลอกศอกแกะออกโดดไปเลยเ อ, อ, อะไรมันถูก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 เกิดความเกลียดความเจ็บความตายเป็นอุปนินสัยเข้าสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันการนี่เธอมีวางก็มีด้วยปากกาลักษณ์นี้แล้วอะไแล้วอัลลสมควรโอ้ถ้าเทศยบไปอีกประธานเครื่องบินเมื่อได้ได้ยะเมื่อได้ใบด <c oughs> <c oughs> ีใจดีใจกรชูในการร่วมทำบุญนะคับที่วัดหลวงปู่ที่ เออสายสายฟ้าคือไปอยู่ไปอยู่นําไทยโซ่ส่วนนั่นเป็นส่วนนั่นเป็นเป็นชอปปก็เป็นป่าซ่าที่จริงเขาก็ไม่ให้ดอกไม่ค่อยให้แต่ว่านายอำเภอมาเลือกสยายแหละคนที่ให้เป็นวัดจะได้แล้วไปฝากเอาเขามาได้แล้ววันนี้ยังผู้เลบาวนนี้เป็นคนเขียตัวนี้เขียนอำเภอพารนาแต่ผู้รอบานี่ยเป็นเขียของทางคนมันเป็นของอุทยาน แต่ว่าเขาก็จะช่วยเจาะบอแล้วก็เอาไฟฟ้าโซลารเซลล์นี่เข้ามาเป็นอันนี้เพิ่มมันก็นกำลังเพราะว่าเขาก็ทำดีแข็งแรงขึ้นมาถ้าเป็นของพี่ของน้องญาติโยมนี่ละขอให้รุ่งเรืองเจริญออไฟทางนอก เ, ออเป็นอย่างไรก็สร้างหัวมันเถอะไฟของหลวงปู่มันอยู่ที่หัวออาธาตุพิภัจจ์อ์ไรกระเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่พาไปนี่พาแน่นอนตัวนี้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 ไปเราก็ต้องเตรียมเตรียมที่พักให้เพื่อนให้มันถูกต้องแล้วจ้ะถ้าเพื่อนอยู่ได้ก็อยู่ไปตามธรรมชาติหรือว่าวัดใหญ่นะเพื่อนว่ามันสัตว์เยอะอเพ่นเสียวนี้เขาก็ว่ามูลวังตะบัวราวกลัวอยู่เวลาฝนตกมามันซึ้ดน่ยมันหมึน